วิธีที่ทำให้เรามีความสุขก็คือการนั่งสมาธิไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียอะไรไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนั่งหลับตาแล้วก็มีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจไปใจเย็นสบายมีทามสุขถ้าเราทำบ่อยๆ ต่อไปลองก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปซื้อขอ ง, งต่างๆมาให้ความสุขตลอดอยากจะมีความสุขก็นั่งสมาธิไปร่างกายก็ไม่ต้องเหนื่อยยากไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากไม่ต้องเอาเงินไปเที่ยวไปใช้ให้เหนื่อยยากนั่งเฉยๆใจให้สงบก็มีความสุขแล้ว พยายามทำบ่อยๆทำเรื่อยๆพยายามเลือกกิจกรรมทางตาหูจมูกวินกายเลือกดูละครเลือกดูหนังเลือกไปเที่ยวตามสถานที่ต่งางๆเวลาอยากจะมีความสดก็นั่งสมาธิไปพยายามจเจริญสติอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆ เาเวลานั่งจะสงบหรือไม่สงบไม่อยู่ที่สติถ้าไม่มีสติใจก็จะคิดด้วยต่๋วพอคิดด้วยต่๋วแล้วมันก็จะไม่สงบจะไม่มีความสุขจะรู้สึกทรมานใจเพราะใจมันมัวดิ้นอยู่ถ้ามีสติมันจะทําให้ใจไม่ดิน้นทําให้ใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วมันก็จะนั่งอย่างมีความสุข สบายอันนี้แหละเป็นทางสึกที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันมาสร้างกันถ้าเราสามารถอาศัยทางสุขนี้ได้ตลอดเวลาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวยก็สามารถมีทางศุขได้เวลามีเหตุการณ์เราออกไปข้างนอกไม่ได้อย่างเมื่อกี้นี้ฝนตกฟ้าร้องเรานั่งสมาธิเราก็มีทางศึ ถ้าเรานั่งสมาธิไม่เป็นเราจะรู้สึกติดอัดอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำไม่ได้ก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรานั่งสมาธิได้มีสติควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธได้ให้อยู่กับลมหายใจได้เราก็จะมีความสงบมีความสบายใจ นี่คือวิธีสร้างความสุขที่ดีที่สุดเพราะความสุขนี้ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นน้องเไม่ต้องอาศัยร่างกายร่างกายเจ็บไา้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรไปเราก็ยังมีความสุขได้นั้นพยายามหัดทำกันอยู่เรื่อยๆจะนั่งให้มีสงบได้ก็ต้องมีสติ หัดเจริญสติอยู่เรื่อยๆด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าคิดอะไรที่ไม่จำเป็นต้องคิดถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จำเป็นเราก็หยุดพุดโทโธไปถ้าไม่จำเป็นถ้าไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจอไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้พุโทโธหยุดมันอย่าไปคิดเพราะความอยากจะทำให้เราต้องไป เด่นลอนไปหาสิ่งที่เราอยากได้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็ยังอยากเหมือนเดิมยังหิวเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีสติควบคุมใจไม่ให้คิดได้ใจจะอิ่มใจจะพอจะไม่รู้สึกอยากได้อะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุดอยู่กับความว่างก็ได้ไม่ต้องมีอะไรให้ดูไม่ต้องมีอะไรให้ฟัง ไม่ต้องมีอะไรให้ดื่มให้กินใจสงบแล้วมีความสดมากเราสามารถทําใจของเราให้สงบได้ทุกคนถ้าเรามีสติงั้นพยายามหัดจเจริญสติให้มากๆบ่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยตอนลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องดูลมหายใจเวลาพุโทโธอยู่กับพุโทโธไป เวลาทําอะไรก็พุโทโธไปอาบน้ําก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปแล้วจะมีสติเวลานั่งใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งหลับตาก็พุโทโธไปอย่างเดียวก็ได้หรือดูลมหายใจไปอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาสองอย่างก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดบางคน ดูลมไม่ได้ก็ท่องพุทโธไปก่อนถ้าท่องพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไม่ต้องออกเสียงสวดมนต์ไปภายในใจสวดอิติปิโสอากวาละหังสามมาสามพุทโธไปสวดไปจนท่านรู้สึกว่าจะพุทโธได้ก็ลองพุทโธันหรือถ้าจะดูลมได้ก็ดูลมไป ดูลมก็ดูเฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเหมือนตอนนี้เรานั่งอยู่เราก็ไม่ได้ควบคุมบังคับลมเราปล่อยให้ลมเขาหายใจไปตามธรรมชาติของเขาเราเพียงแต่ใช้การดูลมเป็นการหยุดความคิดของเราดูลมไปเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าไปคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้ดูลมถ้าเราดูลมเราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ดูลมสบายมันไม่เหนื่อยไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องท่องพุทโธพุทโธนี่บางทีก็เหนื่อยถ้าเหนื่อยก็หยุดมาดูลมแทนก็ได้<ฟ>หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไป ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องไปตกใจถ้าเรารู้ว่าเรากำลังดูลมอยู่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะตายไม่ไม่มีลมหายใจถ้ามีตัวรู้อยู่นี่ไม่มีไม่มีวันตายให้ดูไปไม่ต้องตกใจแล้วใจจะตกผวังเข้าสู่ความสงบถ้าสู่ความสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดูอะไรใจจะนิ่งจะอยู่เฉย ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงมีแต่ความสุขก็จะอยู่อย่างนั้นไปจนตาสติจะอ่อนกำลังแล้วก็ความอยากลุกอยากจะทำอะไรมันก็จะเน้นใจให้ออกจากสมาธิถ้าออกจากสมาธิมาเราก็พุโทโธต่อไปดูลมพุโทโธไปไเรื่อยแล้วพอมีเวลาก็กลับไปนั่งหม่ สลับกันระหว่างพุโทโธกับนั่งสมาธิเวลาทําอะไรก็พุโทโธพุธโทโธไปเวลาไม่ต้องทําอะไรก็นั่งสมาธิไปพยายามนั่งบ่อยๆให้เราชํานาญสามารถนั่งได้ทุกเวลาที่เราต้องการสามารถเข้าได้ทุกเวลาถ้าเราชํานาญในการเข้าสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็มาเจริญปัญญาต่อไป พิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งหลายเช่นร่างกายของเรานี้ก็ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นเดน้ า, นาลงไฟเป็นอาการสาสองไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อเราจะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเรา พอเราไม่ยืดไม่ถือเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายแก่เราก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บเราก็ไม่ทุกข์ร่างกายตายเราก็ไม่ทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาทุกอย่างที่เรายังเกี่ยวข้องอยู่ยังมีความรักความผูกพันอยู่เช่นเงินทองเท่าของต่างๆก็ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันหมดไป หรือไม่เชนั้นก็ต้องจากเราไปหรือไม่เชนั้นเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับเขาเวลาจากกันเราจะไม่ทุกเวลาอยู่เราก็ไม่กังวลเพราะเราไม่มีความยึดติดกับของต่างๆจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปไม่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆ มาให้ความสุขกับเราเวลาเราอยากมีความสุขเราก็นั่งสมาธิกันหลับตาไปไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ข้าวของไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรานี่คือประโยชน์จากการที่เรามาฝึกสติจากการที่เรามานั่งสมาธิจะทำให้เรามีที่พึ่งทามใจทำให้เราไม่ต้องพึ่งอะไรต่างๆเหมือนที่เรากำลังพึ่งอยู่ตอนนี้ ตอนนี้เรายังพึ่งร่างกายยังพึ่งข้าวของเงินทองยังพึ่งคนนั้นคนนี้อยู่เวลาที่เราพึ่งเขาไม่ได้เราก็จะเดือดร้อนเวลาไม่มีเงินทองเราก็เดือดร้อนเวลาไม่มีสิ่งต่างๆให้เราดูให้เราฟังเราก็จะเดือดร้อนเวลาร่างกายไม่สบายเราก็จะเดือดร้อนเพราะเราที่พึ่งของเรามันไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ แต่ถ้าเรามีสมาธิมีการนั่งสมาธิเป็นที่พึ่งเราจะไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรไม่มีเงินก็นั่งสมาธิไปมีความสุขยิ่งกว่าการไปใช้เงินอีก่ไม่มีอะไรกินก็นั่งสมาธิไปมีความอิ่มมากกว่ากิกนกีกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มใช่ั้ยกินแล้วเหยวก็กินอีกเหลวก็กินอีกแค่นั้น กินยัทั่งร่างกายพองขึ้นมาถ้านั่งสมาธิแล้วร่างกายจะไม่มีวันพองเพราะมันร่างใจไม่หิวเมื่อไม่หิวก็ไม่ต้องกินนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาทํากันให้มากๆเป็นที่พึ่งของเราทํามงสารนังกระฉานี้นี่แหละคือทํามังสารนังกระฉา น, น, า น, านี้คือสมาธิสติและปัญญา จำไนทำสามตัวนี้สติต้องมีสติถึง่ามีสมาธิได้มีสติเวลานั่งก็จะไม่คิดนู่นคิดนี่ใจก็จะสงบแล้วพอใจสงบแล้วใจก็มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆก็ใช้ปัญญาตัดทุกอย่างได้ว่าถ้าไปพึ่งเขาแล้วจะต้องทุกเวลาที่พึ่งเขาไม่ได้เวลามีแฟนก็มีความสุข แต่พอเวลาแฟนทิ้งเอาไปจากเราไปก็กลายเป็นความทุกข์ขมาให้เห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างจะต้องมีวันจบสิน้นเวลาจบสิ้นมันไม่ดีมันทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีอะไรมีสมาธิไม่มีวันจบสิน้นมีสติไม่มีวันจบสิน้นจะอยู่กับเราไปตลอดอันนี้แหละคือที่เึ่งทางใจที่แท้จริง ของอย่างอื่นพึ่งไม่ได้ลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกวิ่นกายนี้พึ่งไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเขาก็มาบางทีเขาก็ไปเขาไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงของที่เป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือสติสมาธิปัญญาอันนี้แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงอริยทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริง พระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์ท่านมีอริยทรัพย์กันท่านไม่ต้องพึ่งโลกิยทรัพย์อย่างที่พวกเราพึ่งกันอยู่โลกิยทรัพย์ก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมไม่ใช่เป็นของเราเดี๋ยวเราตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลย ทรัพสมบัติข้าวกองเงินทองสามีภรรยาบุตรธิดาตำแหน่งอะไรต่างๆเอาไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คืออริยทรัพย์คือสติสมาธิและปัญญาขอให้เราพยายามเพียรสร้างสติกันนั่งสมาธิกันแล้วก็ใช้ปัญญามองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์อย่าไปอยากมีอยากได้ อยู่คนเดียวอยู่แบบไม่มีอะไรดีป่ะมีความสุขป่าถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากการที่เรามีมีคนมีเงินก็ทุกข์กับเงินมีแฟนก็ทุกข์กับแฟนมีลูกก็ทุกข์กับลูกมีอะไรก็ทุกข์กับมันเพราะมันจะต้องจากเราไปแล้วเราไม่อยากให้มันจากเราไปพอจากกันก็เลยต้องทุกข์กันถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะต้องทุกข์ วิธีดับดับความทุกข์ก็คือต้องไม่มีอะไรต้องไม่มีราบยศสรรเสริญต้องไม่มีรูปเสียงกลิ่นมดมีสติมีสมาธิมีปัญญาพอละอันนี้แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงที่พวกเราสามารถสะสมกันได้สร้างกันได้ดีกว่าสมบัติทางโลกสมบัติทางโลกนี้ดับความทุกข์ใจไม่ได้เวลาใจไม่สบาย เป็นมาเสถีก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้เวลาตายก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้แต่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญานี้ดับได้รับรองได้ว่าใจจะไม่ทุกข์เลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายนี้ใจจะสบายเพราะใจมีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาใจไม่ให้ทุกข์ ให้ใจสงบให้ใจเย็นสบายดังนั้นขอให้เรามาพยายามเจริญสติกันนั่งสมาธิกันอย่างวันนี้วันนี้นั่งได้กันอย่างง่ายดายเลยในชะ่ไหมเพราะมันจะไปไหนก็ไปไม่ได้เสียงก็ดังฝนก็ตกออกไปก็เปียกนั่งสมาธิสบายกว่าแล้วเวลาก็ผ่านไปปุ๊บเดียว30กว่า น, นาที40นาทีไปแล้ว นี่คือประโยชน์ของธรรมะของสติสมาธิและปัญญาขอให้พยายามทำกันให้มากๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งอะไรอยู่คนเดียวได้ังนั้นก็ขอยุติการสแสดงธรรมไว้เพียงแค่นี้ะอนุมโมธนาให้พร ถ้ามีคําถามทางบ้านจะส่งเข้ามาได้คําถามจากคุณพุทธ ฟ, ฟังเทศหลวงพ่อและนั่งสมาธิทุกวันการที่จะรู้ว่าสติและสมาธิเราพัฒนาคือสม า, ค, สมาคือสามารถนั่งเข้าสู่ความสงบได้บ่อยและเร็วขึ้นใช่ไหมคะใช่และนานขึ้นด้วยได้บ่อยได้เร็วได้นานต่อไปก็ไม่ต้องไปเที่ยวให้เสียเงินเสียทองไม่ต้อง แต่งนื้อแต่งตัวอยู่บ้านนั่งสมาธิใส่เสื้อผ้าสบายๆมีความสุขป่าไม่ต้องไปติดรถบนท้องถนนไม่ต้องไปเบียดกันไปแย่งกันเ อ, เอาเลยต้องการหนังสือหยิบได้เนี่ยทุกอย่างนั่งสมาธิได้ก็อยู่บ้านแลอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปทำงานให้เหนื่อยไม่ต้องใช้เงินคำถามจากคุณซินี าอาจารย์เทศบ่อยๆว่าเวลาจะตายร่างกายตายแต่ใจไม่ตายไม่มีใครตายมีแต่ดินน้ำลมไฟที่แตกกลายไปตามธรรมชาติถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเราจะไม่กลัวตายแล้วใจปล่อยวางได้เองใช่ไหมคะใช่คิดไปเรื่อยๆคำถามจากคุณเดียบุญเกิดขึ้นได้อย่างไรบางครั้งแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรามีบุญการที่เราละบาปเราได้บุญใหมครับได้ก็บุญเกิดได้สมทางเลบุญบุญแปลว่าความสุขใจเวลาเราให้ทานเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอย่างวันนี้ญาติโยมมาเงินมาถวายพระนี่ ก, ก็ถวายแล้วก็มีความสุขใจก็บุญวันนี้ไม่ได้ทําบาปก็มีความสุขใจเราเวลาทําบาปจะไม่สบายใจ เวลาไปขโมยข้าวของไทยเวลาไปฆ่าใครนะมันจะไม่สบายใจพอไม่ได้ทำบาปก็จะสบายใจไปเรื่อยๆแล้วเวลามานั่งสมาธิใจก็สงบมีความสุขความสุขของสมาธินี้มากที่สุดลองลงมาก็ความสุขของการไม่ทำบาตรลองลงมาก็คือความสุขจากการทำบุญทาทานงั้นเราก็ต้องพัฒนาไปทาทานมันง่ายกว่ารักษาสี รักษาศีลเป็นง่ายกว่านั่งสมาธินั่งสมาธินี่ง่ายกว่าการเจริญปัญญาเราเลยต้องทําเป็นขั้นไปขั้นแรกก็ทําทางยังไปก่อนก็ง่ายมีเงินกี่ตังก็ไปใส่บาทเอาไปใส่เอาไปให้ใครก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องให้พระไม่ต้องให้วัดก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็ได้พ่อแม่ก็เป็นพระของเราเป็นพระอรหันต์ของเราอยากจะทําบุญก็ทํากับพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแทบเป็นแทบตาย พอเรามีเงินแทนที่จะไปให้พ่อแม่ก็ไปให้คนอื่นนะทำบุญกับพ่อแม่เราก่อนเวลาทําบุญกับพ่อแม่เราก็จะมีความสุขใจแล้วเราก็มาถ้าเราทําบุญได้ต่อไปเราก็จะรักษาศีลได้คนที่รักษาศีลไม่ได้ก็เพราะยังไม่ทําบุญเงินยังโลภยังอยากได้เงินยังหหยเงินเวลาอยากได้เงินก็อยากจะได้ง่ายๆเร็วๆได้มากๆก็มกักจะทําบาป ก, กัน มักจะโกหก ก, หกันมักจกชอโกงกันแต่ถ้าคนที่ทาบุญแล้วก็จะไม่อยากจะทำเรื่องราวเหล่านี้เพราะไม่มีความจำเป็นอยากจะได้เงินมากคนทาบุญแล้วส่วนใหญ่พอมีพอใช้ก็พอแล้วไม่ไม่โลภมากคนไม่โลภมากก็ไม่ทำบาปกันคนที่ทาบาปเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกคนโลภมากแล้วก็เป็นคนตนีหวงเงินไม่ไม่ชอบทาบุญไม่อยากให้เงินทองกับใคร ก็จะไม่สามารถพัฒนาได้ต้องพัฒนาจากการทำบุญก่อนอย่าตนี้อย่าโลภใช้เงินพอประมาณก็พอพออยู่พอกินได้ก็พออย่าไปหลงกับความร่ำรวยความร่ำรวยไม่ได้เป็นความสุขความร่ำรวยกับเป็นความทุกข์เพราะจะต้องทุกข์ดูแลรักษาเงินทองแล้วเวลาตายไปก็ทุกข์มากเพราะยิ่งมากก็ยิ่งเสียดายมาก ขอทานนี้เวลาตายไปเขาไม่ค่อยทุกเท่าไรเพราะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แบบขอทานดีกว่าจะสบายใจกว่าอยู่แบบเศรษฐีเศรษฐีนี่มีเงินมากต้องกังวลเรื่องเงินเรื่องทองมากเอาเงินไปทําบุญดีกว่าแล้วจะมีความสุขเราก็จะทําให้รักษาศีลได้ตอนตอนก็รักษาศีนห้าได้ต่อไปก็จะรักษาศินแปดได้ เพาถ้าจะนั่งสมาธิก็ต้องรักษาศีลแปกันพอถ้าไม่รักษาสีแปก็เดี๋ยวก็จะไปเที่ยวกันแทนเดี๋ยวก็จะไปดูทีวีไปดูละครไปทำนูน่นทำนี่กันพอมารักษาสีแปก็จะทำไม่ได้นะจะนอนกับแฟนก็ไม่ได้จะกินอาหารเย็นก็ไม่ได้จะไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรก็ไม่ได้จะนอนบนฟูกห น, า, หนาก็ไม่ได้ นอนเดี๋ยวมันจะนอนมากเกินไปถ้านอนที่สบายให้นอนที่ไม่สบายมันจะได้นอนไม่มากนอนบนพื้นแข็งๆนีน่เดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะลุกแล้วไม่อยากจะนอนต่อแล้วอยากจะลุกถ้านอนบนฟูกหนาๆพอตื่นขึ้นมาก็ยังไม่อยากจะลุกก็จะนอนมากเกินไปก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิศีลแปดนี้มีหน้าที่สำหรับกาจัดกิจกรรมต่างๆ ท, ท, ที่จะเอาเวลา ของการนั่งสมาธิไปพอเราถือศีล8เราก็จะไม่สามารถไปทำกิจกรรมทางร่างกายได้เราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิได้มีเวลามาเจริญสติพุทโธพุทโธได้ก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องมีสติก่อนมีสติพุทโธพุทโธไปเรื่อยเพราไม่มีพุทโธมันก็จะคิดไปเรื่อยแลเวลานั่งมันก็จะคิดไปมันก็ไม่สงบเวลานั่งต้องไม่คิดมันถึงจะสงบ อันนี้คือวิธีนั่งสมาธิถ้าเราชำนาญสมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันเวลาจากกันก็จะเสียใจทุกข์ใจเวลาอยู่ด้วยกันก็กังวลห่วงกันห่วงยังไงกังวลยังไงเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดี อย่าไปมีอะไรดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับการนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปแล้วเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ต่อไปเราก็ไม่ต้องมีพอตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ตราบใดถ้าเรายังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เราก็ยังต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่ พอเรายังต้องหาความสุขด้วยร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปใจก็จะกลับมาหาร่างกายใหม่มาเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์แบบที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ต้องมาดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วต้องมาดิ้นรนกับภัยอันตรายต่างๆแล้วยังต้องมาเจอทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายมาทุกข์กับความอยากต่างๆอีกมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นถ้ามาเกิด เหตุที่ทำให้เรามาเกิดก็คือความอยากนี่แหะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากสามาันนี้เราต้องหยุดมันให้ได้อย่าไปอยากดูอยากฟังอย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่าไปอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ก็จะทำให้เราทุกข์และจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ เราไม่อยากไม่แก่ก็แสดงว่าเราอยากอยู่ต่ออยากจะมีร่างกายไปเรื่อยๆนั่นเองให้เราต้องปล่อยวางหยุดความอยากปล่อยร่างกายมันจะแก่ก็มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันจเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าเราไม่มีความอยากที่จะไปใช้อะไรกับร่างกายแล้วเราก็ต่อไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่การมาเกิดนี่มันเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิด ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีการพัดพากจากกันใจของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ตอนนี้พระพเจ้าก็อยู่โดยที่ไม่มีร่างกายพระพเจ้าไม่ได้ตายนะสิ่งที่ตายไปคือร่างกายของพระเจ้าภาษาวกคูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ได้ตายนะท่านยังอยู่ตัวที่ตายก็คือร่างกายเท่านั้นร่างกายก็เป็นเหมือนคนรับใช้ท่าน คนรับใช้ตายไปแต่เจ้านายไม่ตายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจไม่มีวันตายตใจที่ยังมีความอยากก็เลยยังต้องมีคนใช้อยู่เรื่อยๆต้องมาหาคนใช้มาจ้างคนใช้คือร่างกายแล้วก็มาทุกกับคนใช้ต้องมาเลี้ยงดูคนใช้แล้วก็ต้องมาเจ็บมามาแก่มาเจ็บมาตายกับคนใช้เพราะความหลงที่ว่าตนเองเป็นคนใช้ คิดว่าตอนเองเป็นร่างกา ย, ยาเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายก็ไม่ได้เป็นของใครเป็นของดินน้ําลมไฟมาจากดินน้ําลมไฟข้าวเรากินเข้าไปก็มาจากดินผักก็มาจากดินน้ําที่เราเดื่มก็เป็นธาตุน้ําลมที่เราหายใจก็เป็นธาตุลมความร้อนที่มีในร่างกายก็เป็นธาตุไฟพอตายไปพวกนี้มันก็แยกกันไปคนละทาง ไฟก็หายไปร่างกายก็เย็นเฉียบลมก็หายไปแล้วเหยือออกมาเป็นเกล็ดแล้วเดี๋ยวน้ำก็ไหลออกมาเดี๋ยวต่อไปห่างกายก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปนี่คือการเจริญปัญญาเพื่อให้เราจะได้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเรา สักวันหนึ่งจะต้องมีการพัาดภาคจากกันไปเพราะนั้นเราอย่าไปยึดอย่าไปถือว่าเป็นของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันเราจะปล่อยวางเขาได้เราจะอยู่กับความสงบอย่างเดียวสบายกว่านี่คือวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขที่จะทำให้เราไม่มีความทุกข์ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกต่อไปนี่คือบุญ3ระดับเดียกัน บุญที่เกิดจากการทำทานก่อนแล้วตามมาด้วยบุญที่เกิดจากการรักษาศีลต่อจากนั้นก็บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็บุญที่เกิดจากการมีปัญญาตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆคำ ถ, ถามจากคุณ พ, พ, อพอัคภพรถ้าพอมีสติแต่ไม่มีสมาธิตายไปก่อนจะไปเกิดชั้นไหนคะถ้าทำบุญและรักษาศีลได้ก็ไปเป็นเทพ่ ถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็ต้องไปอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสู ร, รกายหรือไปตกนรกขึ้น อ, อยู่ว่าทำบาปด้วยเหตุผลอันใดถ้าทำบาปด้วยการไม่รู้ว่าบาปเช่นเราต้องรักษาชีวิตเราเราต้องกินข้าวเราก็ไปยิงนกตกปลาหาอาหารอย่างนี้คือเาทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปก็ไปเป็นเดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภมีเงิน ม, มีมีเงินพออยู่พอกินแล้วแต่อยากรวยก็เลยไปทำบาปทำบาปเพราะอยากได้เยอะๆอยากได้มากๆอยากมีมากๆนี่ก็เป็นเปรดถ้าทำบาปด้วยความกลัวถ้าออกไปเป็นอัูสุรกายหรือเป็นผีถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกร ธ, กรธเกลียดก็ไปตกนรก ถ้ายังสมาธิยังไม่มีก็ยังไปถึงสวรรค์ชั้นผอมไม่ได้ถ้านั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก็ไปถึงสวรรค์ชั้นผอมได้สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพถ้าจะไปแบบไม่กลับก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราก็เราก็จะตัดความอยากได้สิ่งต่างๆไปถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป จากคุณชยัยดาการไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ได้บุญเยอะจริงหรือไม่คะก็ได้ก็เท่ากับจํานวนที่เราจ่ายไปเนี่ะเราจ่าย500มันก็ไปทําบุญแบบไหนก็ได้เท่ากันแต่แต่ว่าอันนี้สองาจจะต่างกันคือกลับมาถ้าชาติหน้าไปเกิดเป็นวัวควายก็อาจจะมีคนมาถ่ายชีวิตเราถ้าเราไปสร้างกุฏิชาติหน้าเรามาเกิดเป็นพระก็จะมีคนสร้างกุฏิถวายเรา แต่บุญคือความสุขใจเท่ากันความสุขใจที่เราได้จากการเสียสละเงินทองไม่เท่ากันเราะละห้าร้บาทไปไปปล่อยนกปล่อยปลา500บาทไปซื้อสังฆทานถาวายพระมันก็ได้บุญความสุขใจเท่ากันแต่ผลตอบแทนมันก็ต่างกันไปถ้าเกิดไปถ้าชานาไปเกิดเป็นนกเป็นปลาก็มีคนมาปล่อย <c oughs> ถ้าเป็นพระก็มีคนมาถวายสังฆทานเยอะ การที่มีคนเอาเงินไปแล้วไม่เอามาใช้คืนเป็นกรรมเก่าของเราใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นกรรมเก่าของเราหรือเป็นกรรมใหม่ของคนอื่นที่เข้ามาทำกับเราก็<笑><笑>บางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นกรรมเก่าของเราก็ได้เป็นไปดา น, นิจังไปก็แล้วกันให้เราคิดว่าไม่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเรามีมาแล้วก็มีไปแต่ถ้าเราคิดไม่ได้ล้วคิดว่าเป็นกรรมเก่าก็ดีเหมือนกัน กก็จจจะททใใให้เเราไมไมมุ่่สียคำถามจากคุณกันในทางภาวนาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องยึดถือแบบอย่างใดเป็นหลักทำได้หลายแนวทาง <c oughs> แต่ต้องเลือกผลคือจิตรวมใช่ไหมครับเพราะแท้จริงเราต้องการใช้ประโยชน์จากความสงบเพื่อพิจารณ า, ตาไตรลักษ์เพื่อความปล่อยวางในขั้นสุดท้ายใช่ถูกต้องวิธีทรสมาธิมี4ี่ชนิดกรรมฐาน4ี เราเลือกเอาแบบไหนก็ได้พุทธานุสติก็พุทโธไปกายกตาสติก็ดูร่างกายไปมรณานุสติก็นึกถึงความตายไปหรือแผ่เมตตาก็สวดสเสปเสตาเวลาโหนตุไปอันนี้ก็เป็นพรมวิหารสีก็ได้ทำให้ใจนิ่งใจสงบได้เหมือนกันคำถามจากคุณกาวิน ทำสมาธิแล้วซึมออกมาใจแข็งๆทื่อๆไม่ทราบทาผิดตรงไหนครับออกไม่รู้ไม่รู้ตื่นเบิกบานผิดธรรมชาติครับถ้าไม่ไม่ตื่นไม่เบิกบานก็อาจจะไม่ทราบมันกัเป็นก็ซื้อบริเวณสมาที่แบบซื้อบื่อก็ไม่เป็นไรอย่าไปทำร้ายใครอย่าไปทาบาปไปทำอะไรใครก็แล้วกันถ้าเฉยๆไปก็ไม่เป็นไร หลังจากโยมโจ้อยากสอบถามว่าพระที่นําปัจจัยที่โยมไปถวายซื้อเครื่องรางของขังสะสมบาปไหมครับของที่โยมไปไปไปซื้อของจากพระที่วัดพระขายเครื่องรางของขั ง, งเลยยังไงพระที่นําปัจจัยที่โยมถวายไปซื้อเครื่องรางอ๋อไม่คว ร, เ, รเพราะว่า เ, เงินที่ญาติโยมถวายนี้ให้ ให้ใช้กับสัมมนาบริโภคคือปัจจัยสี่เช่นถ้าไม่มีอาหารก็ซื้ออาหารได้ถ้าจีวรขาดไม่มีใครถวายจีวรก็ซื้อจีวรให้ใช้ในปัจจัย4หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็เอาไปทำบุญทำกานกุศลได้แต่ไม่ควรไปซื้อเครื่องรางของขลังไปซื้อลอตเตอรี่มาบางลูกไซื้อลอตเตอรี่กันนี่แสดงบนโลกซื้อเครื่องรางของขลังก็หลงเข้าใจหอ่า กลัวตายกันกลัวอันตรายกันเลยต้องไปซื้อเครื่องรางของขังมาป้องกันกันอันนี้ผิดทางไม่บาปหรอกแต่ใช้เงินไม่ถูกทางมหมดแล้ว เ, เดี๋ยวก็เข้ามารักเดี๋ยวก็ได้ถ้าอยากจะถามก็ได้เนะ ตำราของขังนี่มันไม่ได้เป็นของจริงนะมันไม่มีหรอกถ้ามันมีจริงก็ไม่มีใครตายเลยใ่ไมไม่มีอุปัติเหตนะุคนบางทีห้อยผ้าราคาแพงๆลดความตายก็มีนะมไม่มีอะไรที่จะมายุติความความตายได้ถ้ามีการเกิดแล้วต้องมีกามตายตามมาเสมอจะยุติความตายได้ก็ต้องยุติความการเกิดเท่านั้น ถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีตายอันนี้แหละเครื่องรางของขังที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงค้นพมถ้าเราไม่อยากตายกันก็อย่ามาเกิดกันถ้าไม่อยากจะมาเกิดกันก็ต้องหยุดความอยากกันอย่าไปอยากใช้ร่างกายหาความสุขกันถ้าเราไม่ใช้ร่างกายหาความสุขล้วก็ไม่ต้องมามีร่างกายต่อไปไม่ใช้ร่างกายก็น้่งนั่งสมาธิถึงจะมีความสุขได้นี่คือ เครื่องรางของขังที่แท้จริงมีเครื่องรางของขังแต่ไม่ใช่เป็นแบบที่เราทากันคิดกันขึ้นมาอันนั้นเป็นก้อนหินเป็นก้อนอิกก้อนปูนปั้นกันขึ้นมาแล้วก็ว่าเป็นเครื่องรางของขังเครื่องรางของขังที่แท้จริงก็คือการภาวนาการรักษาศีลการทาดุญทาทางนี่แหละเป็นเครื่องรางของขังพอจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิด เมื่อเราไม่เกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีตายไม่มีภัยอันตรายต่างๆยพยายามทําบุญทําทานพยายามรักษาศีลพยายามภาวนากันแล้วเราจะมีเครื่องรางของขังของันวิเศษมาจากที่ไหนกันอยู่ที่ข้างล่าง อ, อยู่มาภักที่วัดนหรือเปล่ามาเอาน้องกีก่คนนะ่ะสองคนเพิ่งมาครั้งแรกเหร มาอยู่กี่วันน่ะกลับวันศุกร์อ่อเป้าหมายจริงๆมามาทาไมมาอยู่ทาไมมาแก้บนนะไม่ใช่อยากมาให้ให้รู้มากขึ้นอะไอ่าไม่มีความงไม่สบายใจหรือเปล่าป่าวค่ะไม่สบายใจมาวัดก็ไม่เสียหายนะบางทีทุกข์ใจแล้วก็มาวัดไ่ ที่วัดก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลรักษาโรคใจดีกว่าไปทําอย่างอื่นดีกวไปเที่ยวดีกว่าไปชอปปิง้งอันนั้นไม่ได้เป็นวิธีดับทุกข์แต่เพิ่มเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นพราจะต้องเที่ยวไปเรื่อยๆจะต้องชอบไปเรื่อยๆชอบเทา่ทาไหร่เที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่หายทุกข์แต่ถ้ามาวัด น, นี่แล้วมาฟังเทศฟังธรรมแล้วไปปฏิบัติธรรม ต่อไปความทุกข์ก็จะหายไปห <Yeah. S 1> นังสือซีดีก็หยิบได้นะเดี๋ยวถ้าต้องการก็เอาไปแจก <Yeah. S 1> ต้องอ่านหนังสือจะได้มีความรู้ <Yeah. S 1> อ่านแล้วเราจะได้ปฏิบัติถูก <Yeah. S 1> แล้วต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสบายใจ เคมาัดเปนบ่อยแต่น่เคยขึ้นมาเป็พระรู้ใจเขาบอกว่าให้โยมแม่ลองขึ้นไปดูนี่ ม, มากเลยครับอาจารย์จุ๊ดเวลาเราเจ็บไข้กเกิดก็ไปพัฒ น, นาเพื่อคนทำ ใ, นใจไงก็ทําใจให้เฉยถ้าไปอยากมันยิ่งทรมานใหญ่ถ้าไปอยากให้มันหายเยมันจะทําให้เราทรมาน ความคาิงความเจ็บของทางร่างกายมันไม่รุนแรงที่มันรุนแรงเพราะความเจ็บทางใจความอยากให้มันหายความกลัวความเจ็บนี่มันทำให้เราทรมานวิธีที่จะหยุดความความทรมานทางใจก็คือต้องพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดหยุดความอยากพอใจหยุดความคิดหยุดความอยากใจสงบความทรมานใจจะหายไปแล้วความเจ็บของร่างกายก็จะไม่รุนแรงอยู่กับมันได้ เหมือนกับเวลาที่เราไปหาหมอหมอบอกว่าจะฉีดยาให้ยังไม่ทันฉีดเลยเราเจ็บไปก่อนแล้วแต่ถ้าเราพูดทัวพูดทัวไปก็เราก็จะหายเจ็บรอให้หมอมาฉีดพอฉีดจริงๆมันก็ไม่เจ็บมากมายเหมือนกับยุมกัดทั้งนี่มดกัดเราต้องหยุดหยุดความคิดเราให้ได้โดยเฉพาะความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือความกลัวว่ามันจะ เป็นมากกว่านี้มันจะทำให้เราตายอย่าเงียอย่าปล่อยให้มันคิดอย่างนี้เพราะมันคิดอย่างนี้เราจะทำให้เราทรมานใจถ้าเราพุทโธพุทโธไปใจเฉยเฉยมันจะไม่ทรมานถึงแม้มันจะตายไปมันก็ไม่ทรมานตายมันก็แค่หยุดหายใจเท่านั้นเองไม่เห็นมันจะมันจะทรมานตรงไหนสบายสิหายใจมันเหนื่อยกาไม่หายใจไม่หายใจก็สบายไม่ต้องมาเหนื่อย เรื่อามตายไม่น่ากลัวถ้าเราศึกษาจริงๆดูแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวมีความหลงมันทําให้เราคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายมนะันมันถึงทําให้เรากลัวกันแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมมาอ่านหนังสือธรรมเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราเราต้องพยายามอย่าไปผูกตัวเราว่าจะอย่าไปคิดว่าเราเป็นร่างกายคิดว่ามันเป็นเหมือนคนรับใช้เราหรือตอนนั้นไม่สบายก็คิดว่ามันเป็นเหมือนคนไข้ เราเป็นเหมือนหมอเราก็ดูแลมันไปให้ยามันไปเวลามันจะหยุดหายใจก็ปล่อยมันหยุดไปอย่าไปฝืนฝืนเราจะทรมานให้ให้รูเ้เฉยๆให้ดูเฉยๆอ่าการปฏิบัติครั้งแรกแรกแล้วเราต้องใจปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าสบาย เพราะว่าระยะเดิมเราไปไม่ได้หวดทาไม่ได้มาปัจบัเราเรากว่าเลิกต้อใหม่เหมือนเราตนับใหม่ไปมันยากครั้งแรกใคนมันมรู้สึกว่ามันยากยากไครั้งแรกเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เราไปคิดถึงครั้งครั้งแรก่อยากให้มันเป็นเหมือนครั้งแรกมันก็เลยทาให้รู้สึกยากงั้นเราอย่าไปคิดถึงครั้งแรก เวลาเราทำใหม่เราก็ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงครั้งแรกที่เราเคยทำมาแล้วเรานั่งไปมันจะสงบไม่สงบก็อย่าไปอยากพออยากมันจะทำให้รู้สึกยากและครั้งแรกเราไม่มีความอยากให้มันสงบมันก็เลยไม่ยากใช่ไหมงั้นครั้งต่อไปเวลานั่งอย่าไปอยากให้มันสงบนะให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเฉยเฉยสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้คือวอะ ว่างก็ดีสิอยากจะให้มันละเอียดเข้าไปเลยมันละเอียดเข้าไปแล้วแต่จะรู้สึกเล็กลน้อยอก็ดูต่อไปถ้าพูดโทรได้ก็พูดโทรไปดูลมได้ก็ดูลมต่อไปสอสติส <ะ S 1> ยังมีกําลังไม่พอที่จะทําให้มันละเอียดขึ้นเพิ่มกำลังสติดูมันไปต่ออย่าคิดอย่าคิดอะไรอย่าไปอยากให้มันละเอียด มันจะไม่ละเอียดด้วยความอยากมันจะละเอียดด้วยการเพ่งดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทธโธไปเยงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปเองอย่าหยุดพุทธโธถ้าใช้พุทธโธก็อย่าหยุดพุทธโธถ้าดูลมหายใจก็อย่าหยุดดูดูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะละเอียดเข้าไปเองมีมาหมขไป คำถามจากคุณลีเมื่อนั่งสมาธิช่วงเริ่มต้นมีความรู้สึกมีความฟุ้งซ่านมากแต่เมื่อผ่านไปได้ซักระยะประมาณ30นาทีรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ดีๆความคิดทั้งหลายหายไปเป็นความอยู่เฉยเฉยแต่ไม่นานนักแล้วกลับมาฟุ้งซ่านใหม่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ปฏิบัติเหมือนที่ปฏิบัติอยู่อ็สู้กันต่อไปก็ให้มีสติเนี่ยมันเหมือ น, นเล่นชักกระเยอะกันไง เวลาสติมีกำลังมากกว่ากิเลสมันก็สงบพอเวลากิเลสมีกำลังมากกว่าแล้วสติอ่อนกำลังลงกิเลสมีกำลังมากกว่ามันก็ฟุ้งขึ้นมาใหม่เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่พุทโธเข้าไปพุทโธเข้าไปดูลมหายใจไปอย่าไปคิดนั่นคิดนี่แล้วเดี๋ยวมันก็สงบใหม่ก็ทานี้ไปเรื่อยๆพยายามฝึกสร้างสติขึ้นมาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนั่งให้บ่อยๆสร้างสติให้มากแล้วต่อไป นั่งหนาทีสนาทีก็สมบกได้คำ ถ, ถามจากคุณสายพินมัค4ี่ผล4ี่นิพานหนึ่งหมายความว่าอย่างไรคะก็เป็นเหมือนปริญญาเนะี่ยปริญญาเตโตเอกนะการจะมีปริญญาก็ต้องเรียนก่อนเรียน4ปีพอเรียนจบก็ได้ปริญญามัค ก, ก็เหมือนกันมัค ก, ก็คือการเรียนการปฏิบัติพอปอฏิบัติได้ ตัดกิเลสได้สําเร็จก็ได้ได้ได้ผลมันมีอยู่4ขั้นผลโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีอราหันต์มักก็คือเนี่ยมานั่งสมาธิกันแล้วก็มาพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของสิ่ ง, งต่างๆเป็นถ้าโสดาบันก็ต้องพิจารณาร่างกายกับเวทนาคือความเจ็บว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วพอปล่อยได้ปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้โดยที่ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะได้ผลขึ้นมาใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เป็นผลมักก็คือสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยมันไปอย่าไปอยากให้มันไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บ <c oughs> พอตัดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ก็บรรลุเป็นโสดาบาดันไดมขั้นขั้นขั้นที่สองก็มาทาลายความอยากในการร่วมหลับนอนกันเรียกการมาราคะเราต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปดูส่วนที่สวยร่างกายนี่มันมีหลายมิติมิติที่สวยก็มีมิติที่ไม่สวยก็มีมิติที่สวยก็อยู่ข้างนอกเป็นเวลาทาหน้าทําผม แต่งหน้าแต่งตาใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็ทาให้ดูสวยงามถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามดูโครงกระดูกดูหัวใจดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะทำให้การอารมณ์ดับไปได้ขั้นที่สองกับขั้นที่สนี้ก็ทำเพื่อที่จะทำลายการอารมณ์ ถ้าทำลายได้ครึ่งหนึ่งก็ได้ขั้นที่สองขั้นสกิรดาคามีถ้าทำลายได้หมดก็ขั้นได้ขั้นที่สคือขั้นพระอนาคามีแล้วขั้นที่สี่ก็ไปทำลายกิเลสที่มีอยู่ในจิตคือตัวตนอวิชชาที่ยังใบิสติดว่าจิตเป็นตัวเป็นตนก็ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าจิตเป็นตัวรู้ไม่ใช่เป็นตัวตนตัวตนนี้เกิดจาก ความหลงความคิดกูงแต่งขึ้นมาพอคิดก็เกิดตัวตนขึ้นมาพอหยุดคิดความตั ว, ต, ว, ต, วตนก็หายไปพอปล่อยตัวตนได้ก็หมดมก็จบนี<ม>่ก็ได้มรรคผลมรรคสี่พสี่พอได้ผลสี่แล้วก็จะได้นิพพานเป็นเป็นรางวัลแถมใครได้เป็นพระอาหารหันต์ก็จะได้นิพพานคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้จิตที่สะอาดบริสุทธ คำาวานิพพานก็คือจิต Heath ที่ไม่มีความอยากทำลายความอยากกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาได้หมดทำลายความโลภโกรหลงได้หมดก็เลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ไม่ได้หายไปไหนจิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นจิตที่ไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายเหมือนเหมือนจิตของพวกเราจิตวกเรานี่ยังต้องมาเกิดยังต้องมามีร่างกาย เพราะเรายังมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่แล้วเราเราก็เลยต้องมาทุกกับการแก่การเจ็บการตายของร่างกายมาทุกกับการพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงนี่คือเรื่องของมรสีผลสีนิพพานเขาเหมือนกับเรียนเรียนเพื่อเรียนปริญญาตรีโทเอก่ก่อนจะได้ปริญญาตรีก็ต้องไปเรียน4ปีต้องไปเรียนหนังสือแล้วต้องไปสอบ อสอบได้ก็ได้ปริญญาปริญญาโทก็ต้องอีกสองปีปริญญาเอกก็อีกห้าปีใช่ไหมถึงจะได้เวลาเรียนก็เรียกว่ามักเวลาเรียนจบสอบผ่านก็เรียกว่าผลมักสี่พ้นสี่วิพาหนึ่งอาจารย์คะตอนที่ได้ผลกันอ่ะเขาต้องฟ้ถล่มดินทลายกันทุกข์ไหมเออไปดูบอเองก็แล้วกันนะแม่จะถึงเวลาก็รู้เองอ่ะ บางคนก็ไม่ถลมบางคนก็ถล่มแล้วแต่เจตจิตของแต่แล้ะคนบางคนก็แบบเงียบๆบางคนก็แบบพระมันมีได้หลายรูปแบบขอให้รู้ว่ามันไม่มีความอยากก็แล้วกันไม่มีความอยากไม่มีความยึดไม่มีความติดไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิน้นคําถามจากคุณจนูนการถือศีลแปดทุกวันพระหรือทุกวันที่สะดวกเช่น ถือวันที่ไม่ใช่วันพระติดติดกันหลายวันอันนี้สมบูรณ์ต่างกันไหมคะครูบาอาจารย์บอกให้ถือศีลทุกวันพระค่ะที่ให้ถือทุกวันพระเพราะพวกที่เขายังไม่เคยถือกันไงคนที่ไม่เคยถือศีลแปดก็ให้มาถือวันพระกันเป็นการเริ่มต้นเป็นการหัดถือศีลแปดพอถือศีลวันพระได้ต่อไปอยากจะถืออีก2วัน3วันหรือถือทุกวันก็ถือได้ ถ้าถือได้ทุกวันยิ่งดีเพราะจะได้เป็นนักบวชได้เพราะถ้าถือศิน8ได้ทุกวันก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้ทุกวันถ้าไม่ถือศิน8ปดเดี๋ยวก็ต้องไปดูละครแล้ว<ม>เดี๋ยวก็ต้องไปเที่ยวกับแฟนนะมันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันถ้าถือถ้าถือศิน8แฟนมาชวนออกไปไม่ได้แล้วถือศิน8เน <Yeah. S 2> ี่ยเพื่อนมาจากเมืองนอกจะให้ไปเที่ยวก็ไปไม่ได้แล้วถือศิน8 คำถามจากคุณศิมีถ้าหมั่นจเจริญสติทำสมาธิต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้ถึงโสดาบันถ้าจะต้องตายพระอาจารย์มีอุบายให้วางใจยอย่างไรดีคะอยากได้โสดาบันในชาตินี้ให้มองร่างกายตายไปและอยากไปอยากให้มันไม่ตายจะช่วยได้ไหมคะจะได้เจริญบ่อยยๆนนนนะะะ็ออออาาาาาจจาาจจไไดดด้้ตตตตัเปโสบย เพราะตอนนันมนมน้มันจะถูกบังคับให้สู้แล้วมันจะถูกบังคับให้ปล่อยจริงๆแล้วแล้วมันรู้ว่าถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์ถ้าปล่อยแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ง <of> ั้นตอนนี้เตรียมตัวทำมรรคไปเรื่อยๆก่อนเรียนไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเราใจร้อนอยากจะบรรู้ก่อ น, อนตายก็ไปหาที่ตายดูไปหาที่ทำให้เราคิดว่าเราจะตายดูเราจะได้รู้ว่าเราปล่อยจริงว่ไม่ปล่อยจริง อย่างพาที่เขาไปอยู่ป่ากันไปหาเสือกันนีคเขาอยากจะดูว่าเขาปล่อยได้หรือเปล่าเขาก็เลยไปอยู่ในป่าคําถามจากคุณซับดาการบังคับให้คนอื่นทําบุญทําความดีเพื่ออยากให้ได้บุญนั้นโดยที่ผู้ถูกบังคับทําด้วยความไม่สมัครใจทําไปงั้นๆคนบังคับจะได้บุญไหมคะและคนที่ถูกบังคับจะได้บุญเช่นเดียวกันไหมคะก็ขึ้นอยู่ว่าคนที่ถูกบังคับนี่อยู่ใน อยู่ในฐานะไหนถ้าเป็นลูกนี่ก็พ่อแม่บังคับนี่ไม่เป็นไรเพราะเด็กถ้าไม่บังคับเด็กก็จะไปทําอะไรตามนิสัยก็อาจจะเสียได้แต่ถ้าโตแล้วเขาเป็นตัวของเขาแล้วไปบังคับเขาไม่ได้ก็อย่าไปบังคับแต่ถ้ายังช่วงเป็นเด็กอยู่ควรจะบังคับเพราะวา่าเขาจะได้ฝึกนิสัยใหม่นิสัยที่ดีคือการทําบุญอะไรต่างๆแต่พอถ้าเขาโตแล้วถ้าเขาไม่ทำํำเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้แล้ว ก็เป็นตัวของเขาเองแล้วที่เราบังคับก็เป็นเหมือนกับเป็นการสอนเขาเท่านั้นเองอยั้นถ้าเป็นคนที่เป็นคนโตแล้วอย่าไปบังคับกันเล่นกระถินนี่อย่าไปเอาซองไปให้เขาเอยงนีอย่าไปบังคับให้เขาทําบุญทอดกรถินอะไรกั น, น, นก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าเราไปบังคับทําให้เขาทําด้วยความไม่สมัครใจแล้วเขาจะไม่ได้บุญได้บุญก็น้อยคือไม่ได้บุญแบบ อยากจะทําด้วยศรัทธาจริงๆแต่เราบอกบุญได้คือบอกว่าปีนี้จะไปทอดกระถินที่นั่นที่นี่นะแต่ไม่ต้องเอาซองให้เขาหรอกถ้าก็อยากจะทําซองก็หาเองได้หรอกเราไม่ต้องเอาซองไปแจกหรอกพูดก็พอทําไมาาไม่ท ำ, ทำเขาก็ไปเอาซองมาใส่แล้วเขาเขียนชื่อก็ได้นะขอร่วมก็ถิน่นแค่นี้เองแต่อซองมันจะสักส ก, ส ก, ส ก, กี่ตังคนะ์นี เราก็อยากจะทําจริงๆอ่ะเ้าก็ไม่อยากจะทํามันก็อยากไปบังคับก็ดีกว่าการเขียนชื่อกับไม่เขียนนี่คือต่า ง, งไหมคะต่างเนี่สมมุติว่าเราทำได้ความตั้งใจแต่ไม่ได้เขียนชื่อเออก็ดีกว่าเขียนเนะี่ยก็เขียนแล้วเดี๋ยวใจมันจะประกำวนไม่ชื่อเราไปถึงถึงถึ ง, ถ, ง, ถ, งถึงไหนหรือเปล่าเรนะาก็ได้บุญเหมือนกันอ่ะแย่แต่วา่าติดชื่อแล้วมันอาจจะทําให้เรากนนังวล อาจจะเสียใจถ้าชื่อมันไม่เปมันไม่ปไมปขึ้นในรายชื่อที่ก็พิมพ์ว้อย่างนี้ใม า, นานแล้วก็เขาบอกว่าเขีย น, เยนิเขียนที่บอกไม่เป็นไรนใจเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เขียนก็มียนก็ได้เียนกไ้ม่เขียนก็ได้เขียนกได้ไม่เยนก้เขีกม่เขียนี่เียก็ดขียนก็ได้่เนกดขยน่นก่าอะไรเียมขน้เนก็ดขนกได้เขียได้ไยด้ได้่ย ถ้าไม่มีอะไรนะก็เท่ากัคิดถึงในเรื่องที่มันจะมาเกิดขึ้นในอนาคตเช่นความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลา ด, า ด, าดาจากกันแล้วก็ต้องคิดก็ย้ายซ้อมเตรียมตัวเตรียมใจไว้หรือถ้าออกมาปั๊บเจอปัญหามีคนมาดา่าเราหรือมีเจ้าหนี้มาทวงเงินเราอย่างนี้ก็พิจารณาไปดับความทุกข์ไปก็ได้ทำสองอย่างถ้ามีปเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนก็ต้องต้องแก้ปัจจุบันแก้เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นก่อน ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็คิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นที่จะตามมาต่อไปเพื่อถึงเ ว, เวลาเวลาเกิดขึ้นเราจะได้ทําข้อสอบได้หมดไม่ยังทางบ้าน อ, อีกสองไหมโอเคอีกสข้อกายจะหมดเวลาแล้วคําถามจากคุณกันการดําเนินทางปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสจําเป็นต้องอาศัยกําลังหรือพลังจากสมาธิเป็นฐานเสมอและเมื่อพลังหมดลง ต้องไปพักที่สมาธิเพื่อเก็บพลังต่อเพื่อใช้ในการต่อสู้ครั้งต่อไปเป็นอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่มันต้องสลับกันพะสมาธินี่ก็เป็นเหมือนแบต ท, ที่เราชาร์จในมือถือ <c oughs> พอเอามือถือไปใช้ทักพักเดี๋ยวแบตมันก็หมดก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปชาร์จแบตก่อนจิตของเราก็เหมือนกันต้องมีอุเบกขาถึงจะสู้กับกิเลสได้พออุเบกขาเราอ่อนลงเราก็ต้องกลับเข้าไปชาร์จอุเบกขาใหม่ ก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบสลับกันไปสลับกันมาผัดกันทำงานหนูตาท่านบอกว่าเหมือนเท้าซ้ายเท้าขวาปัญญากับสมาธินี่เหมือนเท้าซ้ายเท้าขวาต้องผัดกันทำงานเวลาที่เราไม่มีพลังเราก็เข้าไปในสมาธิก่อนพอเรามีพลังแล้วเราก็ออกมาพิจารณาทางปัญญาคำ ถ, ถามจากคุณแพท เมื่อนั่งสมาธิแล้วมีอาการยุบยิบที่หน้าและจิตหน่วงหนวงเหมือนจะรวมลงแต่ไปต่อไม่ได้ควรทําวางใจอย่างไรคะก็อย่าไปสนใจกับสิ่งที่มันยุบยิบอยู่ให้สนใจอยู่กับพุทโธหรือลมหายใจที่เรากําลังทําอยู่ให้ภาวนาไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับอะไรก็ตามถ้าไปสนใจแล้วแสดงว่าเราไม่ภาวนาแล้ะเราไม่ได้พุทโธและเราไม่มีสติแล้ว แล้วมันก็จะไม่มันก็ไปต่อไม่ได้เวลามีอะไรมากระทบใจมาปรากฏให้ใจรับรู้จะเป็นอะไรก็ไดมยุบยิบหรือคันตรงนั้นคันตรงนีหง้หรือเสียงนู่นเสียงนี่หรืออะไรที่มาปรากฏให้เรารู้อย่าไปสนใจให้เราอยู่กับการพอนาของเราไปถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปถ้าเราดูลมก็ดูลมไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุกอย่างก็จะหายไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเอง หมดแล้วใช่ไหมมีค่ะมีเค่ะเอาอีกข้อนึ่งก็แล้วกันนะคำถามจากคุณโชคชัยเดี๋ยวนี้ผู้สนใจการปฏิบัติธรรมบอกปฏิบัตินั้นง่ายแค่ดูจิตไปเรื่อยๆกลาบพระอาจารย์ให้คำแนะนำได้ครับถ้าง่ายก็ดีเตยโนโมทนาเราก็ม่ร้ว่าเราก็อยากจะให้มันง่ายที่มันมันดูที่ผลแต่ว่ามันดูจิตแล้วมันกิเลสมันตายหรือเปล่า การดูจิตแล้วกิเลสยังไม่ตายก็ไม่เกิดปะระโยชน์อะไรการดูจิตนี่ก็เพื่อทําลายความโลภโกรธหลงทําลายความอยากต่างๆถ้าดูแล้วมันยังมีเท่าเดิมไม่มีมากกว่าเดิมก็อย่าไปดูดีกว่าดูทีวีดีกว่า <laughs> เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ